นี่มาขึ้นกัปปะมานวากะปัญหานิเทศที่สิบท่านกัปปะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะอันเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในท่ามกลางสงสารคือตั้งอยู่ในข้ามกลางวัตะสังสารวัฏที่มันไลลไปเนี่ยนะขอให้พระองค์บอกธรรมะอันเป็นที่พึ่งด้วยเถอด เมื่อห่วงน้ําคือเมื่อห่วงกิเลสเกิดแล้วเมื่อภัยใหญ่มีแล้วผู้อัญชาราและมัจโจถึงรอบแล้วอันหนึ่งขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์ทุกนี้ไม่พึงมีอีกอย่างไรพูดง่ายๆว่าทํำยังไงพ้นทุกสิ่นต่อไปเนี่ยไม่ขอให้มีทุกข์อีกอะนะต้องทำยังไงบ้างภาษาริบุตรท่านนิเทศว่า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 ถ้าพูดสัมนวนเหนือนะทางภาคกลางบอกมาจากไหนบอกมาจากบ้านแล uh, pues like ้วก่อนจะไปถึงบ้านอ่ะคุณไปจากไหนนะก็บอกเอา Baby, ไปตลาดมาเอาแล้วก่อนจะไปตลาดมาจากไหนอ่ะนะไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผมาจากโน่นแหละตอนอยู่ในท้องแม่ก่อนจะมาจากท้องแม่มาจากไหนนะก็มาจากชาติโน้นอะไรชาติโน้นมาจากไหนไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆรม่มีจบไม่มีสิ้นนะที่ในข้างปลายที่จะไปข้างหน้าเอกก็ไม่ปรากฏ กลกอย่างนี้คุณจะไปไหนบอกไปบ้านไปบ้านไปไหนต่ออีกไปโน่นต่อไปต่อถ้ามยังแล้วชาติน่ะาตายาตายแล้วเกิดใหม่เกิดที่ไหนต่อเนีเกิดชาตินั้นาตายจากชาตินั้นคุณจะไปชาติไหนต่อไปเรื่อยอย่างนี้มันจนเลยไ ม, ไม่ไม่รู้มันจบที่ไหนอธิบายว่าที่สุดข้างต้นแห่งสงสารย่อมไม่ปรากฏอย่างไรคือวตะเป็นไปแล้วสิ้นชาติเท่านี้พน้พนจากนั้นแล้วย่อมไม่เป็นไป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 เพราะฉะนั้นพลจากนั้นแล้วย่อมไม่เป็นไปย่อมไม่มีอย่างนี้พันที่สุดข้างต้นแห่งสงสารย่อมไม่ปรากฏเนี่ยนะไล่ไปะจะเอาชาติเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อยล้านเป็นโกดเป็นร้อยโกดพันโกดแสนโกดหรือว่าจะเป็นปีเนี่ยนะสิ้นร้อยปีพันปีแสนปีโกดปีหรือว่าแสนโกดปีเนี่ยไล่ไปก็ไม่มีจบมีสิน้น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 สัตว์ทั้งหลายมีอวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นไว้มีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเสมยความทุกข์ความพินาศเป็นอันมากตลอดกาลนานพินาศมามากแล้วนะมากไปด้วยปา่าช้ามาว่าตายแล้วก็ถมปชาช้าตายแล้วก็ถมปา่าช้าครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหลจึงสมควรจะเบื่อน่าย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 ที่สุดข้างปลายแห่งสงสารย่อมไม่ปรากฏอย่างไรข้างปลายก็คือข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะวัตตะจะเป็นไปสิ้นชาติเท่านี้เนี่ยนะสิ้นร้อยชาติพันชาติแสนชาติสิ้นโกรธชาติร้อยโกรธพันโกรธแสนโกรธชาติอย่างนี้ว่าพ้นจากนี้แล้วไปมีไม่มีเอาเอาอะไรมาเป็นเครื่องกาหนดว่ามันจะถึงวันนั้นแล้วจะเลิกจะจบจะสิน้นถึงชาตินั้นแล้วจะจบจะสิน้นเนี่ยนะมันก็รอยอย่างนั้นไป ไม่มีจบมีสิ้นหรอกหรือว่าโดยปีนะสิ้นปีร้อยปีพันปีแสนปีแสนสิ้นแสนโกดสิ้นอ่ะ น, นะร้อยโกดพันโกดแสนโกดเนี่ยนะหรือว่าแบบกลับสิ้นร้อยกลับพันกลับแสนกลับสิ้นโกดกลับร้อยโกดกลับพันโกดกลับหรือว่าแสนโกดกลับเหมือนพ้นจากนั้นแล้วจะไม่มีอย่างนี้อะไรเป็นเครื่องวัดว่าเออเนี่ยอีก3ชาตินะอีกพันชาติหมื่นชาติเอาอะไรเป็นเครื่องวัด ถ้าไม่บรรลุโสดาปฏิมักนะี่ยไม่มีทางว่ากําหนดชาติไม่ได้กําหนดว่ามันจะจบจะสิ้นเมื่อไหร่ไม่ได้ถ้าโสดาปฏิมักยังไม่เกิดเถ้าไม่ภาคเพียรปฏิบัติให้โสดาปฏิมักเกิดขึ้นอันที่สุดที่จะมีต่อไปเนี่ยไม่มีจบมีสิน้นเปรียบเทียบเหมือนว่าน้ําอะทะเลเนี่ยนะทะเลมหาสมุทรเนี่ยทุกขของพระโสดาบานเนี่ยเหลือเท่ากับน้ำเจ็ดหยด ทุกของปุตุชนทั้งหลายก็เหมือนกันน้ําในทะเลทั้งหมดนั่นแหละหรือว่าทุกของพระโสดาบันเท่ากับก้อนกรวดเท่าเม็ดถั่วเขียวเนี่ยนะเเม็ดทุกของปุตุชนทั้งหลายที่เหลือก็เท่ากับแผ่นดินเพราะอะไรเพราะว่าปุตุชนทั้งหลายยังไม่ทําโสดาปฏิมักให้แจ้งอันถ้าสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้โสดาปฏิมักเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่ามันจะจบนะถึงเวลานั้นและจะจบจะสิ้นเนี่ยไม่มี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 เมื่อกามโอฆะภาวะโอฆะทิฏฐิโอฆะอวิชโชฆะเนี่ยเกิดแล้วบังเกิดพร้อมบังเกิดเฉพาะปรากฏแล้วคําว่าเมื่อภัยใหญ่มีแล้วพราะว่าเมื่อชาติภยัยชราภายัยพยาธิภยัยมรณะภัยมีแล้วาสรุปว่าเมื่อกิเลสเก็เกิดภัยก็เกิดทุกคนเนี่ยตั้งอยู่ในถ้ำกลางวัฏฏะเนี่ยนะไอ้กิเลสก็ท่วมทับโอฆะนะะกามโอฆะภวะโวอฆะอวิชโชฆะก็ท่วมทับ ทุกคนมีภัยเหมือนกันหมดคือชาติชาราพญาทีมรณะเนี่ยแล้วก็เมื่อมีชาติชาราพญาทีมรณะก็มีที่โสกะปริเทวะทุกขโทมณัตและอุปาญาตครอบงำย่ายีอีกคําว่าผู้อัญชาราและมัจจุถึงรอบแล้วความว่าผู้อัญชาราถูกต้องถึงรอบตั้งลงประกอบแล้วอันมัจจุถูกต้องถึงรอบตั้งลงประกอบแล้วอันชาติเป็นไปตามชาราก็แล่นตามพญาทีก็ครอบงำมรณะก็ห้ามหัน ไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่ซ่อนเร้นไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้อัญชาราและมัจจุถึงรอบแล้ว น, นะก็ทุกคนก็เหมือนกันหมดนะแ ก, ก่ทุกวันทุกวันเดยวความตายก็มาห้ำหั่นตัดไปเนียนะกเรียกว่าพอทําลายไปก็เริ่มนับหนึ่งใหม่อีกนะนะเหมือนกับว่าตือนทํางานอ่ะนะตั้งกระเช้าจุดเย็นเดี๋ยวเช้าก็เริ่มใหมก่ก็เริ่มอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่มีจบมีสิน้น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 คือทุกนี้พึงดับคือพึงสงบพึงตั้งเอ่อพึงถึงความตั้งอยู่ไม่ได้พึงระงับไปในภพนี้นี่แหละคือทุกอันมีในปฏิสนธิไม่พึงบังเกิดอีกคือไม่พึงบังเกิดไม่พึงเกิดเพร้อมไม่พึงบังเกิดในการมาท่ารูปธาตุอรูปธาตุคือทํำยังไงที่นี่ก็จะไม่อยู่แต่ก็ไม่ไปไหนด้วยนะเอาทํางไงกันเนี่ยไม่เอาภพใหม่ด้วยภพนี้ก็ไม่เอาซะภพใหม่ก็ไม่เอาเพราะไม่เกิดในการมาท่ารูปธาตุอรูปธาตุ ในการมาพบรูปพบอารมณ์พบในสัญญาพบอสัญญาภพบเนวสัญญานาสัญญายตนะพบหรือเอกวการะพบจตุวการะพบปัญจโวการะพบในคติใหม่อุบัติใหม่ปฏิสนที่ใหม่ในพบสงสารหรือในวัตตะนะพึงดับสงบพึงถึงตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปในพบนี้นี่แหละอย่างไรนะทุกนั้นอาจจะพึงหมดจะพึงดับได้อย่างไร สรว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์ขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมะเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในถ้ำกลางสงสารเมื่อห่วงกิเลสเกิดแล้วเมื่อภัยใหญ่มีแล้วผู้อัญชราและมัจจุถึงรอบแล้วอั น, นึ่งขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์พวกนี้ไม่พึงมีอีกอย่างไรนะนะโอ้อยากมีที่พึ่งอะไนระบ่แล้วเบื่อแล้วไม่เอาแล้วนะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า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 คือเมื่อห่วงกิเลสเกิดแล้วเมื่อภัยใหญ่มีแล้วนะห่วงกิเลสก็คือกามโมฆะพโวฆะทีโ่โธฆะวิชโชคะเนี่ยเมื่อภัยใหญ่ก็คือชาติภยัยชราภายัพยพญาที่ภัยมรณะภัยมีแล้วผู้อัญชาลาและมรณะเนี่ยถึงรอบแล้วเพราะว่าผู้อันชาลาถูกต้องถึงรอบตั้งลงประกอบแล้วอันมัจจุถูกต้องถึงรอบประกอบแล้วอันชาติไปตามชราก็เล่นไปพญาที่ก็ครอบงำมรณะก็ห้ำหัน่น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 ผู้อัญชราและมรณะถึงรอบแล้วดูก่อนกับปะเราจะบอกธรรมะเป็นที่พึ่งใครท่านเราขอบอกนิพพานอันไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีตัณหาเครื่องถือมั่นไม่ใช่ธรรมะอย่างอื่นเป็นที่สิ้นไปแห่งชะาและมัจจุนี้นั้นว่าธรรมะเป็นที่พึ่งนิพพานอย่างเดียวถึงจะเป็นที่พึ่งได้ คำว่าไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยนะในคำว่าอกินจะนังก็คือกิเลสเครื่องกังวลก็คือราฆะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสทุจริตเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลอมตะนิพานเป็นที่ละเป็นที่สงบเป็นที่สละคืนเป็นที่ระงับเครื่องกังวลคือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสทุจริตเพราะฉะนั้นเรียกว่าพระนิพานเนี่ยไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ไม่มีตันหาเครื่องถือมั่นนะนะก็คือไม่มีตันหาราคาสราคาอภิชาโลภากุศลมูลที่เป็ es, นเครื่องถือมั่นเนี่ยนิพพานนี้ก็ไม่มีตัญหาเป็นเครื่องถือมั่นอย่างนี้ธรรมะนี้ชื่อว่าเป็นธรรมะที่พึ่งนะนะไม่ใช่ธรรมะอย่า like. งอ <c oughs> uh ื่นคือพึ่งได้จริงๆเป็นที่ต้านทานเป็นที่ซ่อนเร้นเป็นที่เกาะสาระเนี่ยนะเป็นคติที่ไปไม่ใช่ธรรมะอย่างอื่นคือที่พึ่งอื่น คือที่พึ่งอย่างอื่นจากนิพพานเนี่ยไม่ได้มีอะที่พึ่งที่สงบที่ปลอดภัยยิ่งกว่านิพพานไม่ได้มีโดยที่แท้ที่พึ่งนั้นนั่นแหละเป็นที่พึ่งอันเลิศประเสริฐพ้นวิเศษเป็นประธานสูงสุดและอย่างยิ่งอมตานิพพานนั้นเป็นที่ละเป็นที่สงบเป็นที่สละคืนเป็นที่ระงับตัหาเครื่องร้อยรัดเนี่ยนะ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 พระอรหันตะขีนาศบเหล่าใดรู้ทั่วถึงนิพพานนั้นแล้วเป็นผู้มีสติมีธรรมะอันเห็นแล้วดับแล้วพระอรหันตะขีนาศบเหล่านั้นน่ะเป็นผู้ไม่ไปตามอำนาจแห่งมารไม่มีอ่ไม่ไปบำรุงมารนะพระอรหันต์นี่ไม่บำรุงมารแล้วท่านบำรุงพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นพระอรหันตตะขีนาศนะที่รู้ทั่วถึงนิพพานอย่างนี้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 อริยสัตนะนะรู้ทั่วถึงสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมรู้แจ้งอนะเหตุเกิดความดับอสสาศะทาอาทีนวะนิสรณะของมหาพูท ร, รูปบสีอุปาทานขันห้าภาษายตนา6นะรู้แจ้งทุกสมุทัยนิโรธมรรคอาสวะอาสวะสมุทยัยอาสวะนิโรธอาสวะนิโรธถาคามินีปฏิปทานนะ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 ผู้ประกอบมหาชนไว้ในบาปประรรมแล้วให้ตายผู้ประกอบมหาชนไว้ในธรรมดาเป็น ผ, ผู้เป็นใหญ่ผู้มีส่วนสุดแห่งอกุศลผู้ไม่ปล่อยมหาชนผู้เป็นพวกพ้องของคนประมาทเชื่อว่ามานคาว่ามารเนี่ยนะเราเป็นชื่อของผู้ที่ประกอบมหาชนไว้ในบาปแล้วก็ให้เข้าตายเหนะมือนก็ว่าประกอบให้เข้าอยู่กับทุกข์ น, นะ ผู้ประกอบมหาชนเอาไว้ในธรรมดำํำผู้มีในส่วนสุดแห่งอกุศลธรรมแล้วก็ไม่ปล่อยมหาชนไปนนนทําให้มหาชนเนี่ยประมาทมัวเมาอยู่นั่นแหละพระ้าหันตขีนาศพเหล่านั้นเน่ยไม่เป็นผู้ไม่ไปตามอํานาจมารความว่าพผ้าหันตขีนาศพนั้นย่อมไม่เป็นไปในอํานาจมารแม้มารก็ยังอํานาจให้เป็นไปในพระขีนาศพเหล่านั้นไม่ได้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 พราหันตะขีนาศพเหล่านั้นน่ะไม่ไปบำรุงมารคือไม่ไปบำรุงเที่ยวบำรุงบำเรอ ร, รับใช้มารผู้ที่ติดข้องในสังขารธรรมทั้งปวงเรียกว่าผู้รับใช้มารเนี่ยนะสังขารธรรมทั้งปวงเนี่ยมันเป็นวิสัยของมารเนี่ยเป็นบ่วงของมารเป็นเบ็ดของมารพราหัน์เมื่อท่านตัดฉันทราค่าในสังขารทั้งปวงได้แล้วเนี่ยท่านจึงไม่ต้องรับใช้ม า, ารพราหันตะขีนาศพเหล่านั้นน่ะเป็นผู้บำรุงเที่ยวบำรุงบำเรอรับใช้พระผู้มีพระภาค ผู้ตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันตขีนาศพเหล่านั้นไม่ไปบำรุงมารสรุปว่าพระอรหันตขีนาศพเหล่าใดรู้ทั่วถึงนิพพานนั้นแล้วเป็นผู้มีสติมีธรรมะอันเห็นแล้วดับแล้วพระอรหันตขีนาศพเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ไปตามอำนาจแห่งมารไม่ไปบำรุงมารนะท่านไปบำรุงพระพุทถเชา่าเนี่ยนะกันพระองค์ก็บอกธรรมะที่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 กับปะมานพนั้นก็บรุมรกผลมีโสดาปฏิผลเป็นต้นถึงอนาคามีผลส่วนท่านกับปะมานพกับลูกศิษย์ของท่านก็บรุเป็นพระอาหารหันต์